วันนี้เป็นวันที่ย1สิบ็ดกรกดาคมพุทธศักราช2555้าห้าสิบห้าวันที่ย9สบนะคณะสัทยาญาติโยมทุกคนจะมาร่วมบวชนาคบวชพระใหม่ปี2555ห้า้าเนี่ยเป็นวันที่ยี่เกวันอาทิตย์ที่ย9สบเเป็นวันบวชพระฉันจังหารเสร็จแล้วก็ทำพิธีบวชละ แล้วก็พอบวชแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวเข้าพรรษาท่องคำอธิษฐานพรรษาพระใหม่ก็เข้าพรรษาวันที่สามนะแต่วันอัสรหะบูชาเป็นวันที่สองคือวันพระใหญ่วันที่สองแต่ตามปกติพวกเราจะว่าเข้าพรรษาวันวันพระนะ่ะแต่ต่างจริงไม่ใช่นะ วันพระเป็นวันอศาศะรหับูชาแล้ววันเข้าพรรษานี่แรมค่ำหนึ่งแรมค่ำหนึ่งเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอธิษฐานพรรษาตรงกับวันที่สสิงหาคมปีนี้วันที่สสิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ และเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมโยมพี่ของหลวงพ่อที่โรงพยาบาลศีนครินทร์ขอนแก่นอาการอาภาษณ์ไปเห็นโรงพยาบาลแล้วก็โอ้มันเป็นโรงพยาบาลซ่อมมนุษย์ไม่ใช่โรงพซ่อมรถเป็นโรงซ่อมมนุษย์มนุษย์ป่วยถ้าเห็นอยู่ในถนนหนทางอยู่ในที่ต่างๆ ควรู้สึกวันร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขสนุกสบายพูดอะไรร้องรำทำเพลงมีอะไรก็แสดงออกแต่พอไปเห็นเมื่อวานไปเห็นในโกดังนอนโกดังที่ส่อง ม, มนุษย์นอนระเนระนาดเห็นแล้วก็โอ ไม่ใช่น้อยเหมือนกันโรงพยาบาลขนแก่นสีนักกรินงเบะเลอระล่าเดินไปจนเหน็ดจนเหนื่อยเห็นตะคนนอนเจ็บนอนไข้นอนป่วยเดินออกมาก็สีขาบังสามขาบังเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีปัญญา ท่านมีความคิดเหมือนกับม้าม้าอาชนไนพอเห็นสิ่งต่างๆพอเห็นสิ่งที่จะต้องเตือนให้วิ่งม้าก็วิ่งตามตามที่เจ้าของอยากจะให้วิ่งแต่ม้าบางตัวนะ่ต้อง ใช้แส้กระตุกซะก่อนอไปอีซะก่อนกระตุกซะก่อนอมันยังคอยวิ่งให้สัญญาณแต่ม้าบางตัวต้องใช้แรงหน่อยต้องใช้เท้าด้วยเข่าด้วยแส้ด้วยชักมักเหียนด้วยมันยังคอยวิ่งแต่ม้าบางตัวใช้ประตัดแทงเข้าไปจนถึงเนื้อ เจ็บยังคอยสำนึกได้วิ่งแต่ม้าบางตัวไม่เป็นอย่างนั้นถึงจะขึ้นไปขี่หลังกบวนเวียนจะกัดขาเจ้าของคนที่ขี่ไม่ยอมวิ่งผลในสุดก็เลยเจ้าของก็เโดดลงหลังมา้าพราะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าบุคคลผู้ที่เห็น ภัยในโลกวัตฏะสงสารนินดๆหน่อยๆเห็นเออแกเนี่ยคนเราน่ยแก่ทุกคนให้แก่แล้วก็ตายมองไปในอนาคตเอมองในอดีตแล้วก็มองไปในอนาคตแล้วก็ดูในปัจจุบันอดีต ท, ที่ผ่านมาพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ย า, ตายตายไปในหมดปัจจุบันเนี่ก็มองเห็นก็ตายตายกันอยู่เห็นเห็นกันอยู่คนนั้นคนเจ็บคนนั้นก็นนนกป่วย เห็นต่อหน้าต่อตาในโรงพยาบาลกันเข้าไปก็ยุ่ยเยี่ยบไปหมดไม่รู้ว่าเป็นอะไรตัวไม่อะไรแล้วก็ตายได้กว่าเอาออกไปเรื่อยๆผลในสุดในอนาคตต่อไปภายภาคหนา้าคนมากเท่าไหร่ก็จะตายอย่างนี้แหละอันนี้คือพอได้ยินว่าตายนะเป็นของไม่เสี่ยงแท้แน่นอนนะ่าเกิดมาในโลกนี่ ก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหาทางหาทางพ้นทุกข์หรือว่าหาทางของตนเองตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้คือประเภทม้าตัวที่หนึ่งคล้ายๆเห็นเห็ น, หนพอเห็นแล้วก็แหมเร่งผลงานความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพียงครั้งเดียวแล้วก็เห็นสมณะท่านไม่ได้ออกเพ่งพันหรือไม่ได้ออกอย่างหลวงพ่อออกไป ดูโรงพยาบาลอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเห็นแต่คนแก่หลังค่อมผมหงอกใส่ไม้เท้าใช้ไม้เท้าหนังเหี่ยวเฮอเวลาหัวเลาะพูดขึ้นมาก็ไม่มีฟันแล้วก็ตาตาฟ้าฟางังเห็นได้ชัดว่าคนแก่หลังค่อมพระพุทธเจ้าเห็นโอ้เราจะแก่ไหมนะช น, นะเนอะ สะรัฐีเราจะแก่ไหมนายชนะตอบว่าถ้าใครไม่ตายง่ายก็ต้องแก่พระเจ้าค่านายชนะตอบถ้าคนไม่ตายง่ายมันต้องแก่พระเจ้าค่ะโอ้ทายงั้นทุกคนต้องแก่ใช่ไหมใช่พระเจ้าข่าเห็นความแก่โอ้ตายจะหาความสุขได้ที่ไหนนพระพุทธเจ้ามองเห็นต่อมากคับวันที่สองว่าให้เสด็จกลับนะไปกลับ กลับไปคิดซะก่อนมันหาความสุขไม่ได้เลยเห็นอย่างนี้พอกลับไปวันที่สองที่สามไปอีกไปอีกไปเห็นคนเจ็บชักเล่นชักงออยู่บนเตียงเ อ, อ่ที่เขาจะหามไปส่งโรงพยาบาลแล้วไปหาหมออันนั้นอะไรอันนั้นคือคนเจ็บคนไข้เอา้าคนมีเจ็บมีไข้ยอยู่แลยโอ้ธรรมดาคนเราเราก็ต้องบางทีก็็เจบมีเจ็บมีไข้ เราก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ไม่มีใครที่จะยกเว้นพยาการแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนกลับมาเวียงวังอีกจากนั้นก็ต่อไม่ไปอีกไปเห็นคนตายเขาหามต่อหนา น, นั่นคืออะไรเขาหามอะไรเขาหามคนคนเป็นอะไรคนตายเอาทาไมถึงตายเอาทุกคนเกิดมาในโลกจตายหมดทุกคนไม่มีใครที่ จะหนีรอดไปได้ ถ, ถ้าอย่างั้นจะหาความสุขได้ที่ไหนตาทุกคนตายอย่างนั้นตายแล้วไปไหลไปเผานะไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ทิ้งให้พวกสัตว์กินนะอา้าวตายพระองค์ก็จะเด็ดกลับมาอีกเอ๊จะทํำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะมีช่องทางหรือเปล่านะน่ะคิดค้นหาเหมือนกับวิทยาศาสตร์คิดค้นหาหนทาง พอวันที่สี่ออกไปอีกไปเห็นสมณะไปเห็นสมณะคือนักบวชคือพระองค์หนึ่งนักบวชองค์หนึ่งท่านนั่งอยู่โคนต้นไม้นั่งกัดสมาธินั่งเน่งสงบที่โคนต้นไม้สิทธัตถะไปมองเห็นเอออันนี้ถ้าเราได้มานั่งอยู่ตามลําพังอย่างนี้ อย่างสมณะท่านนี้นั่งอยู่อย่างนี้อย่างคนต้นไม้อย่างสถานที่สกบสงัดอย่างนี้เป่าเปลี่ยวอย่างนี้อยู่คนต้นไม้คนเดียวอย่างนี้เราคงจะคิดหาช่องทางออกได้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวังไม่รู้ใครต่อใครไม่รู้ว่าการบัตรการเมืองไม่รู้ว่าการํามาค้าขายไม่รู้ว่าการทห า, า, า, ารากา ร, าาการปกครอง การเกษตรอยู่กับเราทั้งหมดเราก็คงจะคิดไม่ออกเพราะส่วนอื่นที่จะทำให้เราคิดแต่มันมากแต่ถ้ามานั่งค้นคิดอย่างนี้คงมีช่องทางฮะนี่แหละนี่คือสิทธะในวันที่ท่านจะเสด็จออกไปบวชท่านคิดอย่างนี้จากนั้นท่านก็เดินหนีออกในคืนวันนั้นหนีออกจากเวียงวังออกมา ผลคว้าศึกษาแต่นี่พวกเราท่านกับเปียบเทียวนี่แหละคือกับม้าตัวที่หนึ่งพอเห็นเงาแส้เท่านั้นแหละม้าก็กระโดดและวิ่งและแปลว่าเห็นเงาแห่งหายนะคือเงาแห่งความเจ็บปวดเดี๋ยวจะเข้ามาหาตนเองวิ่งพอม้าตัวที่สองต้องใช้แส้ซะก่อน เหมือนกับพวกเราตามลาพังจะเห็นคนอื่นก็ไม่เป็นไรพอเห็นพี่น้องเพื่อนฝูงของเราที่อยู่ใกล้ของเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ตายทำไมจึงเป็นอย่างนี้ว ะ, เ, ะเราจะต้องได้ช่วยเราจะต้องได้หาเงินจะต้องได้ส่งโรงพยาบาลใจของเราก็เป้าขึ้นมาทุกขึ้นมาแต่เห็นคนอื่นไม่เป็นไรนะเห็นคนห่างหากคนอังกฤษอเมริกาอยู่ ที่ไหนเขาข้ า, ขาขงกันเจ็บไข้ได้ป่วยเคยตายเป็นโรคระบาดอะไรเราได้ยินกันเฉยๆแต่พอมาเห็นใกล้เราเนี่ยเราสะดุ้งแหละนะพอต่อมาเองเนี่ยพอมาเห็นมาเจอกับตัวเองเข้าอีกเนี่ยตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยออพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ตัวเองพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้อยู่ใกล้ๆเรา่ะเราก็ยิ่งทกใจอีก อันนี้ก็คือจากนั้นก็หาหนทางตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมบุญกุศลเ อ, อพ่อแม่ของเราก็ยังรักเคารพขนาดนี้ก็ยังล้มหายตายจากไปอันนี้คือคือบุคคลคนที่สามบุคคลที่สีน่นี่คือตัวเองเก็บไข้ได้ป่วยขึ้นมายังคิดอยากจะหายอีกต่างหากไม่คิดว่าตัวเองจะตายเเลยโอ้ไปไปหาหมอที่ดีมารักษาเราวะ ไปลูกหลานเนี่ยเงินที่เราหามาไว้ในธนาคารเอาออกไปจ้างหมอมาแต่บางที่เป็นมะเร็งระดับที่สามที่สี่แล้วลูกหลานก็รู้แล้วนี่มะเร็งตายแน่ๆไม่มีรักยารักษาแล้วแต่ตัวเองน่ะไม่ยอมตายไปขายไร่ขายนาะไปขายกิจการไปอันนี้คือคือม้าตัวที่สี่ที่ว่า อ, อไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม วิ่งไปตามที่เจ้าของอยากจะให้วิ่งเพ้อเอจะกัดพวกเขาตัวเองเ อ, งองีกประเภทม้าเประเภทนี่แเอะนายสรัถีต้องฆ่าทิ้งวเงเอนแปลว่าม้ามันมันไม่ยอมเพราะพูะพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนเราในเกิดมาแล้วนะยังไม่เห็นโทษว่าร่างกายสังขารนีจะเป็นของเราอยู่ตลอดไปเป็นอนันตการ จะไม่ล้มหายตายจากโรคยังเห็นความสุขอยู่ในการเป็นอยู่ของตนเองแต่ตามให้จริงพระพุทธเจ้าด้วยความมันเป็นอยู่ยืมเดือนอยืมปีอยู่เฉยๆอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องหนีออกจากภพชาติของเราเราจะไม่ได้อยู่ร่างกา ย, ยทอดทิ้งลงในแผ่นดินแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น อันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือท่านไม่ได้เอาความตายมาขู่นะอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธาสันาเอาความตายมาขู่กันให้กลัวตายไม่ใช่อย่างนั้นเอาความจริงมาพูดให้กันฟังเอาความจริงมาเตือนกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นแน่นอนอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ยอมรับ แต่เราจะทำยังไงหนทางที่เราจะปฏิบัติตนเรียกว่าหนทางที่จะได้เปรียบในการที่เราจะต้องเป็นอย่างนั้นที่หนทางที่จะเด็ดลอดออกทางจะได้เปรียบน็นคืออะไรอันนี้พระพุทธเจ้าต้องศึกษาต้องศึกษ า, ต, กษาต้องเรียนรู้ว่าสุดตรมายปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังต้องศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง เมื่อได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านบอกตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะเพราะเราไปค้นคว้าศึกษาที่โคลนต้นโพแล้วเราไปนั่งสมาธิในวันเดือนหเพนนะที่เราไปบำเพ็ญหปีเราไปค้นคว้าศึกษาอยู่หปนะีวันที่เราได้รู้ได้เห็นได้ตัดสัรู้ในวันเดือน6เพนเราได้นั่งสมาธิ นั่งสมาธิเนี่ยอย่างพระประธานนั่งขาขวาทับขาซ้ายจํานั้นเรากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออ ก, าา ใ, จออกใจของเราไม่คิดไปในอดีตใจของเราไม่คิดไปในอน า, นอนาคตจิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ปลายจมกูกมีความรู้สึกใจเนี่ยคือความรู้สึกความรู้สึกของเรานะ่ยอยู่ที่ปลายจมกูก รู้วัลลโมเข้ารู้วัลลมออกไม่ได้เอาความรู้สึกส่งไปในอดีตอนาคตเอาความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันจากนั้นใจของเราก็รวมจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอใจนิ่งเป็นหนึ่งเท่านั้นแหะเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันร่างกายก็คืออย่างพวกเรานั่งและร่างกายที่มองเห็นแต่ความนึกคิด ตัวนึกคิดตัวผู้รู้ตัวรู้สึกกับตัวร่างกายเป็นคนละอ่านกันนี่แหละพอเรารู้ได้อย่างนั้นเราก็รู้ว่าร่างกายนี่แตกตายสลายแน่ไม่มีใครที่จะอยู่ทรวนาตาปีตายได้แน่แต่ว่าใจคือนามธรรมดวงนั้นจะออกจากร่างนี้ไปปฏิสนธิไปเกิดได้พภูมิต่าง สรุปแล้วคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกไอ้ตัวที่เชื้อของมันที่จะพาไปเกิดอีกนั่นคือใจตรงนั้นแหละไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไปเกิดได้ที่ไหนก็ได้ใจตรงนั้นมันไม่ตายใจไม่มีป่าช้าแต่ร่างกายมีป่าช้าแต่ใจไม่มีป่าช้าใจจะต้องออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีก อันนี้คือปฐมเมียมคือยามต้นคือยามหัวค่ําพอถึงเที่ยงคืนท่านก็นั่งภาวนากําหนดดูพระไทยใจของพระองค์อีกพอจิตใจของพระองค์สงบอย่างที่เห็นนี่เห็นว่าเราเนี่ยคืออะไรเราเนี่ตายแล้วไม่สูนมาจากไหนมาที่ไหนเนี่เนี่ยว่าปุเพนิวาสารุสติระลึกชาติพอถึงเที่ยงคืนดูคนอื่นเถิดดูคนอื่นอย่างลุงพ่อเนี่ยแต่ ก, ก่อนก็นดูตัวเองซะก่อน ขั้นแรกพอถึงเที่ยงคืนก็ดูดูคนนั้น่ะดูคุณญาติโยมเอ๊ะทําไมพวกนี้มันทําไมไม่เหมือนกันวะทําไมคนนี้เป็นผู้หญิงทําไมคนนี้เป็นผู้ชายเอ๊ะทำไมคนนี้ขี้ร้ายขี้เล่ห์ทำไมคนนี้ถึงสวยงามฮคนนี้ทําไมหูหนวกคนนี้ทําไมตาบอดคนนี้ทําไมโง่คนนี้ทําไมฉลาดคนนี้ทําไมรวยคนนี้ทําไมจน่ะเอ๊ะ มันเกิดมาแท้แทเนะี่ยทำไมไม่เหมือนกันเพราะอะไรทำไมไม่เหมือนกันมองคนอื่นพระพุทธองค์ก็มองมองมองดหาต้นเหตุก็รู้ได้ว่ากรรมคือการกระทำเนะี่ยคนนี้ที่ตาบอดเนี่ยเพราะอะไรในชาติก่อนเออคนนี้เขาเไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วก็ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ในอดีตเขาจึงมาได้รับกรรมในชาตินี้ แต่กรรมของเขาได้รับมากี่ชาติอเนี่ในชาติเป็นชาติที่เท่าไร่ล่ะที่เขาได้รับมานี่ถ้าเป็นอนันตริกรรมเรือกรรมหนักเนี่ย่จะต้องได้รับหลายๆชาติอย่างพ่อโมกขราเนี่ยที่ฆ่าพ่อแม่นไม่รู้ว่ากี่ชาติตัวกี่ชาติที่ถูกฆ่าฮะแต่ที่พระงองค์ก็มองอีกคนที่คนจนเพราะอะไรเพราะเขาไปชอบในการทําบุญทําทาน แต่คนที่รวยก็เพราะอะไรเอออันนี้เขาทําบุญทําทานในอดีตชาติกับพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าหรือเขาได้สร้างคุณงามความดีเขาจึงมาเป็นอย่างนี้อันนี้มองคนอื่นเนี่ยว่ากรรมคือการกระทําเพราะฉนั้นพระพุทธองค์จังว่ากรรมไม่ดีกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าให้ทําแต่กรรมดีถ้าทํากรรมดีแล้วกรรมดีน่าจะตามสนองไปในทางสุขคติ ถ้าว่าใครทกากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไปทางทุกขตเิเพราะนั้นอย่าทำพระพุทธองค์ก็เน้นหนักนี่แหละสรุปแล้วก็คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ประกาศพระศาสนาออกมาเนี่ยท่านพิสูจน์ดูทุกอย่างแล้วท่านยังประกาศให้พวกเราได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเราเนี่ยต้องศึกษาต้องฟังเมื่อฟังแล้วก็นามาประพฤติธปฏิบัต เมือม่ อ, อดูแผนที่เสร็จแล้วก็เดินตามแผนที่เมื่อเราได้ฟังเมือนเราได้ศึกษาแผนที่เมื่อเราศึกษาแผนที่แล้วก็เดินตามแผนที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายนะพระนั่งก้อ้พวกเราทุกทุกท่านนะที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพอเป็นผู้โชคดีอย่างมาก แต่ทั้งยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดไปที่โรงพยาบาลเห็นแต่คนแก่คนเจ็บคนตายคนตายเขาไปให้เห็นแต่พอเห็นแต่คนแก่กับคนเจ็บคนปว่วยในโรงพยาบาลเต็มอื้อทราบไปหมดเลยไปที่ไหนๆเห็นแต่คนป่วยเห็นแล้วโอ้โหแต่พวกเราเนี่ยธรรมดาพกเราเห็นว่าเป็นธรรมดาคนแก่เกิดมาแล้วก็ต้องป่วยอย่างนี้ธรรมดา แต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นเรื่องของทุกแท้เลยไอ้คนเจ็บเนี่ยพร้อมที่จะตายได้ตายแล้วไม่รู้ว่าไปไหนอีกตังถ้าทํากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีจะพาไปสู่ทุกขติถ้าทํากรรมดีกรรมดีพาไปสู่สุกติเนะีเพราะนั่นยาทำไอ้สิ่งที่มันไม่ดีพวกเราเนีเกิดมาในภพระ พ, พุท ธ, ธศาสนา พบธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเราจะตั้งอยู่ในความประมาทในพรรษานี้ที่จะถึงที่หลวงพ่อได้พูดวันที่สองวันอสารหวันที่สามข้อพรรษาปีห้าสิบห้าในพรรษานี้เราจะทำตนให้เป็นคนดีอย่างไรอันนี้ต้องถามเมื่อเราได้ศึกษาดูแผนที่แล้วเราก็ต้องย้อนมาหาเราข้าพเจ้าจะทำความดีอะไรในพรรษานี้ข้าพเจ้า จะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนเข้าไปเจ้าจะกราบพระไหว้พระอลาหาังสวางคัโตสุปฏิปโนโงตื่นนอนไหว้พระไม่ให้ขาดทุกวันพอเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ชนพุทธบริษัทนะหรือเราจะใส่บาต ท, ทุกวันเราจะทําทานทุกวันไม่ให้ขาดในบ้านในครอบครัวของเราในพรรษานี้หรือเราจะรักษาศีลทุกวันพระ รักษาศีลห้าตลอดไตรามาสสามเดือนในพรรษานี้หรือเราจะรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระหรือเราจะงดอวายวะพกเราจะไม่เล่นการพนันเราจะไม่ดื่มชูกาเราจะไม่กินเหล้าตลอดไตรามาสสามเดือนเราจะไม่สูบบุหรี่ตลอดไตรามาสสมเดือนมีมากมายที่คุณงามความดีที่พวกเราจะต้องปฏิบัติ เนี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะจะเอาอะไรหรือเราจะไปไหว้ไปกราบไปคารวะพ่อทุกวันอาทิตย์กราบพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยเรือว่าวันเสาร์ไปกราบพ่อตาแม่ยายวันอาทิตย์พาลูกไปกราบพ่อกราบแม่อย่างนี้เนี่ยเรื่องว่าเว้นกันเดือนกนละอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งไปกราบพ่อแม่ พ่อปู่แม่ยา่อาอธิษฐานสองพาลูกหลานไปกราบพ่อตาแม่ยายอย่างนี้การล้วนแล้วจะเป็นมงคลต่อครอบครัวต่อลูกต่อหลานครอบครัวของเราจะได้อบุ่นเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีของการเป็นอยู่อพ่อต่อไปภายภาคหน้าลูกก็จะได้ดําเนินตามที่พ่อแม่พาดําเนินตามอยากจะให้ลูกหลานของเราดี เราก็ต้องทําดีให้ลูกหลานของเราดูฮะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทําตนอีกแบบหนึ่งทุกแล้วจะให้ลูกหลานดีจะดีได้อย่างไรพ่อตัวเองทําตัวไม่ดีให้แก่เขาเห็นทุกวี่ทุกวันทะเลาะกันทุกวี่ทุกวันทําตนไม่เป็นคนดีให้เขาเห็นตลอดเขาจะเป็นคนดีได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ยินได้ฟังทำคําสอน อันนี้หลวงพ่อพูดไม่ใช่ทําคําสอนหลวงพ่อนะเป็นทําคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นทําคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้นํำทำคําสอนออกมาบอกกล่าวจากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้นํำทำคําสอนที่ได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตำรับตําราจากนั้นก็นํามาประยุกต์มาพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา เมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นําไปคิดว่าการได้ยินมาคราวนี้มีเหตุผลไหมถ้าเมื่อฟังแล้วดูแล้วมีเหตุมีผลก็นํามาปรับปรุงกาวาจาใจของเราต่อไปเราก็จะเป็นคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจของพวกเร า, าต่อจากนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร